ลูกหลานที่รักสำนับวันนี้ก <c oughs> ็รู้สึกว่าการบันทึกเสียงนี่ต้องรีบทำกันหนักหน่อยเวลาก็ชั่นจะไปจะไปแม่หองสอนทำงานกันวันเดียวเสร็จเสียงเสือนั้นก็ไม่มีก็ช่างเถอะก็ถือเป็นประวัติเอาประวัติของบุคคลคนหนึ่งคือพระเจ้ามังรามหาราช ในช่วงระยะ 2,000 ปีเศษท่าน้งเกิดกันมาอีกครั้งการเกิดแต่ละคราวลูกหลานที่รักก็เต็มไปด้วยความลำบากยากแค้นสิ่งที่สร้างไว้ทั้งหมดอำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่ก็ไม่ได้สร้างให้ตัวดีขึ้นมาเลย อันนี้เป็นบทฉบับคมันดาลลกหลานที่รักที่ไม่ควรจะห่วงใยขันห้าดึงเกินไปงานทุกอย่างที่เรามีอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่ตีส่วนหนึ่งก็กำลังใจก็คือความดีเราจะต้องรักษาไว้เป็นอันว่าเรารักษาความดีต้องสองอย่างคือโลกไม่ช้ำทำไม่เสีย หน้าที่พ่อบ้านแม่เรือยงกันปกครองตัวเองทาไม่ครบถ้วนทุกอย่างในได้งนขความดีและศีลธรรมหากินโดยความสุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีของบ้านเมืองไม่ขัดคอยชาว บ, บ้านถ้าหาว่าเป็นพ่อบ้านแม่เรือยงก็ปกครองโดยธรรมทำตามหน้าที่ รับระยชการทำงานกับเจ้านายทำด้วยดีว่าคิดว่างานนั้นเป็นงานของเราสร้างเขาให้มีความสุขให้มีกำไรผลกำไรมันก็ตกมาถึงเราเองนี่คนดีเขาคิดแบบนี้ฉะงนั้นขอลูกหลานขอลูกที่รักทุกคนของพ่อ ที่ทุกคนตั้งใจทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือพิญญาสมาบัติทั้งหญิงและชายแต่ไปที่หน้าแปลกอย่างหนึ่งลูกของพ่อเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและผู้หญิงทุกคนก็มีความเข้มแข็งไม่ต่างผู้ชาย ถ้าดูดูแลรู้สึกว่าอยากเก่งกว่าผู้ชายก็มีมากยังเปรียบเทียบงานกันที่แมวสอนผู้หญิงผู้หญิงเก่งเป็นพิเศษแต่สำหรับผู้ชายก็เก่งตามหน้าที่เรียว่าต่างคนต่างดียังนี่ดีถ้าทาแล้วก็จงอยา่าเกาะแต่คืนเกาะไม่จาเกิดดูว่าเจ้ามังรายมหาราชเป็นสำคัญ เกิดไม่ได้หยุดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดไม่ได้มีความดีอะไรเกิดแต่แล้วคราวก็เป็นเป็นปัจจัยของความทุกข์หวังความสุขแก่บุคคลอื่นทําให้เขาเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วในที่สุดเมื่อตัวตายไปความมั่นคงนั้นก็สลายไปไม่มีใครทขรักษา ถ้าบังเอิญลูกยากระเสพพบแบบนี้ขึ้นมาบ้างก็ต้องถือเอาพระเจ้ามาังรายมหาราชเป็นเหตุถือว่ามันเป็นธรดาของโลกจะต้องเป็นอย่างนั้นโลกมีความไม่เที่ยงต่อมาเมื่อท่านประกาศพรตัดสัตวสมาอย่างนั้นตั้งรับการจุติแล้ามาเกิดเป็นลูกของแม่ทัพที่เขาเรียกกันว่าขุนไกล ตอนนี้ประวัติคุ้งไกลหรือประวัติคนแผนต่างคนต่างเะแทราบกันดีแต่ว่าประวัติคนแผนตามแบบฉบับ <c oughs> ที่สุนทารผู้แล้วใครเขียนไว้ไม่ถูก <c oughs> เกินพอดีไปเป็นนศอันเล่นเป็นนิยายก็จ้งางก็ถ <c oughs> ือเนื้อแท้จริงๆคนในสมัยนั้นมีระเบียบวินัยมาก <c oughs> อีกก็บอกว่าคุณช้างไม่ดีแต่ความจริงคุณช้างเป็นพยาพยาพานุมาตรคุณแผนต่อมาขั้นสุดท้ายเป็นพระยาเจ้าพยาการบุรีตอนนี้ก็มารวบรวมกำลังของเมืองไทยอีกเพราะว่าในสมัยของคุณแผนนั้นรู้สึกว่าไปตีเมืองเหนือเมืองใต้ตีกันไม่หยุด ทำมาคนไทยที่แตกแยกออกไปกลับเข้ามาเป็นปึกแผ่นตามเดิมสำหรับเรื่องนี้ท่านท้าวบากาพรมท่านบอกว่าคนเดีอวเขียนเรื่องคนช่างคนแผนนั้นเขียนไม่ถูกแต่ก็ไม่ควรจะไปตำหนิเขาเขาเขียนเพื่อความสนุกคนช่างเป็นคนดีเป็นคนไม่มีลูก <c oughs> คุณแผงก็เป็นคนดีเป็นค น, คนมีลูกมากความจริงศัพท์ว่าคุณช่างก็ดีศัพ์ว่าคุณแผงก็ดีไม่ได้มีในรรมเนียบของราชการในรรมเนียบของทางราชการทั้งสองคนนี้เป็นพยาด้ยกันหนึ่งคู่และก็เป็นเพื่อนรักกันมาก ตามนี่ทนประกาศพรหมบอกต้องบอกว่าคุณช่างมีายุกแก่กว่าคุณแผนหนึ่งปีเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเพื่อนดีรักมากคุณช่างเป็นต้นตระกูลของเศรษฐีเป็นตระกูลของเศรษฐีที่เรียกกันว่าคุณช่างก็เพราะว่าตระกูล น, นี้เป็นคนหาช่างให้แก่พระราชาตั้งแต่สมัยโปล่ เมื่อได้ช้างมาแล้วก็มีการฝึกช้างควบคุมช้างเรียกว่าเป็นหัวหน้ากองช้างแล้วว่าขุนอะไรหัวหน้ากองช้างก็อะไรกันเขาจริงเรียกว่าขุนช้างสําหรับว่าขุนแผนนั่นเป็นแม่ทัพอยู่ในระเบียบมิในมีต้องอยู่ในแบบแผนกดข้อบังคับจะให้นามว่าขุนแผนตามศัพท์ของชาวบ้าน แต่ว่าตามสตร์ทางเรื่การเก็ตอนแรกกเขาจะเป็นหลวงอะไรไม่ทราบแล้วมาเป็นพระบรมนาพภารินต่อมาก็เป็นมิยาการบุรีนลเป็นเจ้าพญาการบุรีไม่ช้าก็ตายเพราะนั้นว่าพระเจ้ามารายมหาราชตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตาย ตอนนี้จะว่ากันไปจะเป็นการหักล้างความชั่วร้ายของคุณช้างสักหน่อยที่เขาว่าคุณช้างกงเมียคุณแผนคุณแผนก็ไปขโมยเมียของตัวเองมาจากคุณช้างเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ตามประวัติที่ท่านประกาศรมเขียนนบอกไว้ท่านบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้น ขุนแผนเป็นคนมีลูกมากเพราะว่าขุนแผนเป็นคนมีเมียมากที่มีเมียมากก็เพราะว่าเป็นคนมีคาถาคมดีเป็นแม่ทัพแม่ทัพนี่ไม่ใช่ว่าน้าบึ้งขึงจอมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนก็นมีแต่ความแช่มชื่นเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปดังนั้นเมื่อชาวบ้านรักได้สาวๆก็รักได้เหมือนกัน เมื่อสาวๆรักได้พ่อแผนหนุ่มเมียเผลอก็รักได้เหมือนกันยา น, นพ่อแผนจึงไม่ได้มีเมียแต่เพียงสองคนลาวทองกับพิมพิลาไลความจริงคุณแผนมีเมียมากกว่านั้นเพราะฐานะคุณแผนก็ไม่ได้ยากจนเขินใจตามโบราณคดีที่ติดเขียนไว้ คุณช้างท่านบอกว่าถ้าเจ้าแผนมันไม่จับใจใช้ส้อยมากมันรวยกว่าท่านแต่ที่ว่าอย่างจนก็อยู่ในท่านกห็หาบดีขนาดสูงแต่สำหรับคุณช้างเป็นคนไม่มีลูกเกิดเธอเลยถือลูกของคุณแผนเป็นลูกของคุณช้างไป เวลาตอนเช้าคุณช่างก็จะต้องสั่งคุณใช้ห้งข้าวหมกัมกๆกแกงมากมากทำข น, นมมากมากปเดี๋ยวลูกไอแผ้มันมามันจะไม่มีอะไรกินลูกคุณแผลเวลาไปถึงคุณช่างก็คุณพ่อแบบนั่งคุณพ่อแบบนี้คุณพ่อเป็นคนไม่มีลูกคุณพ่อก็เห่ออุ้มลูกจุหลานเป็นแถว ลูกคนแผนต้องการอะไรคนช้างหาให้ทั้งหมดนี่เป็นอนว่าปรากฏว่าเขาเป็นคนดีกันจริงๆแต่ว่านางสือที่เขียนไว้น่ะสิไม่ได้ดีตามนั้นคนเวลานั้นอยู่ใ น, นระเบียบกรอบเรัธรรมวินยัยดีมากมีขนบปําเพณีแล้วมีขนบธรรมนเนียมแบบเพ็นนีดี แล้กพระราชามีสิทธิสั่งตัดหัวกัแบบส บ, สบายถ้าไปทำอย่างนั้น <c oughs> รวมความว่าชาติที่เท่าไรเนาะท่าที่แปดก็มาเกิดเป็นขุนแผนและพระยาการบุรีตอนนี้ก็มานั่งรวบรวมกำลังพลอาศัยที่มีวิชาการมากเป็นนักครบก่ง ลองหนุนหายตัวได้แสดะกลอนได้สร้างหุ่นพยนต์ได้ทำอะไรได้แบบแปลกการตีการยกทัพไปรบทัพจับศิกก็วันใช้กำลังพลมากก็สามารถจะสู้กับข้าศึกได้พูดแล้วก็เหนื่อยใจเป็นอันว่าพระยาะบางรายพระเจ้าบางรายมหาราช ในช่วงนี้ไม่กี่ปีนะักท่านก็ ว, ว่ามาถึงแปดทุนแล้วหลังนี้สุดตอนที่เป็นเจ้ายาการบุรีก็ไปจำศีลที่พวกเขาชนไก่ช่วัดกาญจน บ, บุรีแล้วก็ตายในถิ่นที่นั้นด้วยกำลังของฌานตายแล้วก็ไปเป็นพรองในช่วง น, นี้ในหลังนั้นต่อมา ก็ปรากฏว่าไม่วาระที่เ ก, ก้าก็เห็นเนี่ยเป็นราชการที่เกา้าอยกนะตอนนี้ก็ไปนั่งอยู่ที่พรมนิดหนึ่งมองดูลงมาดูประเทศไทยอาศัยมีใจห่วงใยพระพุทธศาสนาเกินว่าเอ๊ะถ้าไม่ลงไปน่ากลัวจะไม่ดี ต้องข็เข้าไปช่วยกันพยุงพยุงทั้งชาติและศาสนาแลนะให้ความเป็นอยู่ได้ดีสักสักหน่อยทีตอนนี้เรียกว่ามาช่วยมงลังคาเพราะลังคาฝนมันรั่วแต่ว่ายังไม่ถึงก็จะพังก็ถอยหลังมาเกิดเป็นลูกของสษัตว์มีนามว่าพระบรมไตรยโลกนาถคนนี้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน อาวัตของพระเจ้าบรรมไตรโลกก็น่าทไปยังไงบรรดาประชาชนชาวไทยก็รู้อยู่แล้วนี่เป็นอวัตย่องมาถึงครั้งที่9าหลังจากที่เป็นพระรมไตรโลกกนาาตามสมควรเวลานั้นอย่าลืมนะว่ามีพระอรหันต์อยู่มากคนเวลานั้นเป็นยังไงยังไงก็ช่างเถอะเขาก็พยายาม พยายามทำตามความเป็นจริงให้ความโลภโมโทสันแย่งแย่งกันไปแย่งอันมาสมัยกรงศรีอยยาเนี่ยรู้สึกว่าน่าลำคาญวงวัยกษัตริย์เปลี่ยนกันไปเสมอเสมอรู้ว่ารู้สึกว่าใครๆก็อยากจะเป็นกษัตริย์เห็นว่าเป็นของดีบางคนก็เป็นได้ไม่กี่ปีก็ตายก็ยังอยากจะเป็นกันก็แปลก ตำแหน่งกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่มีความหนักมากแต่ก็ยากเปลี่ยนกันเขาช่างเขามันเปออ็นกรข้อคำและอาจะเป็นบุญวาสนาบารมีของเขาก็ได้มาวาราทิสิกก็มาเป็นคนเหล็กตอนนี้เกิดควบคู่กับกันกับพระนารายมหาราชต้นราวพราวเดียวกัน คุเหล็กกับคุณปานเป็นพี่น้องกันต่อมาก็เป็นเจ้าพยาโกษาเหล็กถ้าสมัยหลังน้องก็เป็นเจ้าพยาโกษาปานเจ้าพยาโกษาเหล็กนี่ทําอะไรบ้างตำระวัาศาสตร์ก็บอกอยู่แล้วแต่ว่างานจริงๆทํามากกว่านั้น มีงานหนักมากเจ้าพยาโกสาเหล็กนี้เป็นเชื้อสายมาจากสุขโขทยัยตอนนี้ก็มาดึงไทยจะขยายไทยให้เข้าสู่สภาพปกติตอนนั้นเขก็ไม่สู้จะปกตินะักเจ้าพยาโกสาเหล็กกับจ้าพยาโกสาปานเคยเดินทางทถ้งต่างประเทศ รู้สึกว่าทั้งสองคนนี่มีเป็นคนมีฝืมือดีเป็นที่ไว้วางพระราชยาไทยของเจาพระยาของของพระราชามากของสุเด็จพรนารายมหาราชอันดับแรกเป็นเพื่อนเล่งกันต่อมาก็เป็นหัวโมทรงฟันเป็นคนมีฝื้มือดีต่อมาก็เป็นแม่ทัพ แ, แม่ทัพสมัยนี้ก็รู้สึกว่ามีแม่ทัพในกองที่มีความเก่งๆมีอยู่มากหลายท่านด้วยกันอย่างพยาวิชัยดับหักแล้วก็ใครจะใครบ้างหลายคนด้วยกันไม่ใช่เก่งคนเดียวคนเก่งคนเดียวนี่เก่งไม่ได้เป็ว่าทำมาทำไปก็ปรากฏมาในบ้านปลายของชีวิต ท่านลอย่าจะกิจเจอรายการเพราะว่าเป็นคนแก่ตอนนี้ก็จำศีลภาวนาจริญเพรสะสมถะกรรมฐานมิปัสนากรรมฐา น, ม, า น, าฐานมันเป็นศีลมันเป็นทานตามปกติตามมิสัยของคนแก่ตายจากขุนเหล็กแล้วก็เลยไปเป็นโคมตามเดิมนี่เป็นวาระดีสิก อาระที่สิบเอ็ดพอไล่ตานลำดับก็มาเป็นพระยาวสีสิบที่สงครามคือเป็นขุนดาบของพระเจ้าตากสินขุนดาบประจำองค์พระเจ้าตากสินก็ อ, อยู่ในกองทัพหลวงสำหรับทัพเวลานั้นก็แบ่งออกไปทัพของวังหน้า แล้วทัพของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกแล้วก็ทัพหลวงสำหรับทัพหลวงนี่เป็นทัพซ่อมเวลาเข้าตีข้าศึกเมื่อข้าศึกมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกโดยเจ้าปยาวสุรสีก็จะต้องนําทัพเอาไปก่อนตังกําลังทหารที่มีอยู่ให้เจ้าตากสินอยู่ข้างหลังก็เกณฑคนเข้ามา บางครั้งก็พระองค์เสด็จเองพระองค์ก็ใช้ให้ไปให้ในายทหารคู่คู่พระไทยสิบคนของพระองค์นำกำลังกองทัพไปตามสังควรแต่รู้สึกว่าทั้งสิบท่านท่านบอกว่าเป็นบุคคลที่มีฝีมือดีมากรบคำว่าแพ้ไม่มีเข้าที่ไหนต้องพังที่นั่น ฟีนักนกนักรักทั้งสิบท่านนี่ถามท่านแล้วท่านบอกว่าหนึ่งพญาศีสิทธิสงครามสองพญาปราบริราชศัตรูสามพญาศัตรูพินาศประชาพญาริราชศัตรูพยาปราบริราชศัตรูนี่นเสริม นายกยาองค์อาตราชสงครามไม่เกิดพยายามสามไ พ, พยาสามเมืองไร่อไม่เกิดพยาพันนราชบาทแล้วก็พายรีพิณาสัญยาวยีต์นี่ไม่มาเกิดพยาปราบราชพยาปราบราชสัปดาจามิตรอันนี้ไม่มาเกิดระพยา ราชมิตรราชาพระราชาชมิตรราชาหมายความว่าเป็นมิตรราชาไม่เกิดพญามหาวิชัยสงครามไม่มาเกิดพญาฆ่าศิษย์ขามพินาตข้าวอำนาจอันนี้ไม่มาเกิดตอนนี้ก็มาเป็นพญาศีสิทธสิสงครามในวาระที่สิส พญาศิษฏิทรงครามนี่เป็นมือดาบที่ดีเขาพระเจ้าตากศิลมหาราชรวมด้วยกันทั้งสิบพญาด้วยกันในเมื่อพระเจ้าตากสิลมหาราชทรงสิ้นอำนาจความจริงการสิ้นอำนาจของพระเจ้าตากศิลมหาราชนี่ตามประวัติศาสตร์ที่เขียนผิดความจริงคนเขียนประวัติศาสตร์ไม่เขียนผิด เขียนถูกแต่ว่าเขียนถูกตามรับสั่งของพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกถ้าว่าเขียนถูกตามเรื่องราวประเทศไทยเราอาจจะต้องย่อ ย, ยับเพราะเวลานั้นเป็นการแสดงละครกันอย่างดีมากเพื่อได้ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนี้ขอพูดเสริกนิดหนึ่ง หรือว่าท่านบางรายมหาราชท่านไม่ได้มาเป็นกษัตรย์แต่ว่ามาเป็นคู่มือของกษัตริย์คู่พระไทยของอษัตร์อันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่ามาสมัยนีเ้เห็นว่าบ้านเมืองเรายับเยินมากแต่กระจายกระจายไทยไม่เป็นไทยก็จําต้องมารวบรวมไทยตอนที่ก็มา เรื่องเรื่องละครก็มีว่าพระเจ้าตากสินมหาราชอายุธยาเราแตกครั้งหลังเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยไม่มีความสางไม่ขีไม่รักความเป็นไทย ค, คล้ายกับคนไทยสมัยกใกล้ปัจจุบันที่ชาวบ้านเขาไม่รู้จักวรรัตธรรมนูนเป็นยังไงก็ร้องเรียกรัฐธรรมนูญ ชาว บ, บ้านเขารังเกียจสมาชิกสภาผู้แทนแนิติบเพราะว่ามาัามาโคบโคบ้กโคบเที่ยวเข็งเขาเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้แทนจริงๆไปกรอบโกยอํานาจไปกอบโกยทรัพย์สินทําให้เขาเสียหายมากแล้วคนนี้ก็เรียกอํานาจต้องการอย่าเป็นผู้แทนแนิติบ แล้วคนนี้เป็นผู้แทนสันดอนให้คํามั่นสัญญากับประชาชนเขาเวลาเข้าไปก็เลยอยากเป็นรัฐบาลแทนที่จะเข้าไปควบคุมรัฐบาลเป็นตัวรัฐบาลเสเองความมุ่งหมายปลายทางที่ประกาศรับรองไว้กับประชาชนก็ไม่ตรงกับความมุ่งหมาย นั้นั่ว่ายิ่งการเมืองการเมืองของป ร, ประเทศใดก็ตามถ้าเป็นพรรคเราก็ยังไม่เรียกกันว่าประชาธิปไตยถ้าเป็นพรรคเป็นกลุ่มเขาเรียกคณาธิปไตยตัวอย่างไหนจะดีและไม่ดีนั้นไม่ขอวิจารณ์ในผูตต้ตามสัพท์ถ้าตามสัตว์ก็เรียกกันว่าคณาธิปไตย ถ้วัณนคณาที่ปฏายดีหรือว่าประชาธิ่ปฏายดีก็เป็นเรื่องของการเมืองไม่เกี่ยวข้อง น, นในเมื่อพระเจ้าตาสินมหาราชท่านเป็นคนรักชาติเมื่อสงครามกษิติยาต้องแตกครั้งหลังเป็นเรื่องการยับยืนมากถ้าพระองค์ไม่แก้ไขกลําบากพระองค์มีกําลังเพียห้าร้อยคนที่ฟันฝ่าข้าศึกออกไป รวบรวงกำลังคนได้ไม่เกินห้าพันคนเข้ามากู้กลืนอง์เสดียาสามารถโค่นไทยได้ทันชาตินี่เราก็ต้องถือว่าเป็นบา ร, รมีของพระเจ้าแผ่นดินนี่สามารถรวบรวมคนสำคัญอย่างสมเด็จพุทติยอดฟ้าจุลาโลกคนดีสมเด็จพระราชวังบวรคนดี นี่ต้องถือว่าเป็นคู่บารมีเป็นคนที่มีบุญคุณกับประเทศชาติมากเวลานั้นคนขายชาติไม่ก็มีสมัยยาแตกมีแต่สมัยหลังนี้ถ้ามีคนขายชาติพระเจ้าดากศิลปเขาสำเร็จชอบงานพุทธยาฟ้าอยูลาโลกก็ทรงจัดกำจัดที่หมดคนคิดคดต่อยอดอย่างพระยาสังก็ถุกประหารชีวิต นี่ความจริงการปกครองกันต้องทำกันอย่างนี้มันถึงจะกไม่ควรยะบยั้อยให้พวกขอมเก่าเข้ามาทำลายชาติเวลานี้ระมัดจะนิยมขอมเก่ากันทั้งๆ ท, ที่มันทำลายชาติไทยพีนาจจะนันหลายวาระนียมันก็อ้างว่าจะทำโน่นจะเจริญจะทำนี่เจริญแต่ก็บนทำลายทุกอย่าง ละครสมัยนั้นที่แสดงกันก็หมายความว่าเมื่อพระเจ้าแต่งสิงเข้ามาเป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์ไม่ได้มีราชสมบัติอะไรมาก่อนการรบทัพจับศึกท่านนึกดูท่านเป็นพ่อบ้านเพียงแค่พ่อบ้านแม่เลงก็รู้จักว่าการจับายใช้สอัยมันมากมายเพียงใด แต่ว่าถ้าเรื่องของประเทศมันจะจากจากจ่ายใชยสอยมากมากกยเพียงไหนเงินที่ใช้สอยเบี้ยหวัดเบียยเ้ยบานาญคเดัยของท่านก็ไม่มีวันนี้สุดในในฐานะที่ต้งมีเชือสายเป็นจีนมาก่อนท่านเยงต้องอาศาายัยเชือสายของจีนพ่อจีนอะ พอเยี่มสตังก็มาให้เกิดอะไรการเขายังเป็นหนี้เบี้ยวัตรเบี้ยนายเขาอยู่มากดังนั้นมาบั้นปลายของชีวิตท่านยึงคิดว่าถ้าเราจะเป็นไอสัตว์ต่อไปเราก็ต้องใช้หนี้เขาแล้วก็เงินไม่มีจะใช้หนี้ยังในเรียกสมเด็จเจ้พาพระยาหากษัตรสัจสึ ก, กคือพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกขาา้าบรมเฝ้าพระองค์สมเด็จเจองค์เดียว <c oughs> แล้วให้ส่งเครื่องรบขัดดาบมาด้วยสมเด็จพระุทธยอดฟ้าอยจุลาโลกก็แปลกใจว่าเงาจะมีเรื่องไรไรเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าพระเจ้าตากสินทรสมทัตอยู่ในห้องพระแต่องเดิวทรงขาวนั่งชักรูกประคำพระพุทธยอดฟ้าเห็นท่าแบบนั้นก็ไม่กลา้าจะเข้ามาก็ขัดดาบ มเมื่อพระเจ้าต่างศีลเห็นข้าวเขาสงเรียกพระดวงเลยเข้ามาซิความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาดาบเข้ามาด้วยพระพุทยธยอดฟ้าอยู่ลาโลกจะถอดดาบถือเพืงหนกก็จําต้องถือเข้ามาวางดาบวางห่างเขคลายเขาไปหมอบเฝ้าท่านก็บอกหยิบ ด, ดาบมาให้กระไรสําเร็จพระพุทยธยอดฟ้าอยู่ลาโลกก็มือกระทุ่งดาบออกนอกประตูไป ในฐานะที่พระมหากษัตริย์ประทับอยู่พระองค์เดียวการพืลนดับเข้าไปยานั้นย่อมไม่เหมาะและอยู่ในชุดรบแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตาสินก็ได้ถามว่าดวงอยากจะเป็นพระเจ้าเป็นดินไหมท่านก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าขาดพระเจ้าตาสินก็ทรงตรัสว่าดวงจะต้องเป็นพระเจ้าเป็นดิน แล้วอเรา่งเล่าเรื่องตามความเป็นจริงให้ทราบว่าไม่กี่วันเจ้าสัวเขาจะมาทวงเงินเขาด้วงก็รู้แล้วนี่ว่าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สดุดไม่มีทรัพย์สินที่ไหนมาเลยต้องกู้เงินเจ้าสัวก็มาจับจ่ายใช้สอยเวลานี่เมียวัดเมียวัดเมื่อเมียวัดเรืเงินเดือนเวลรก็เงินปีเ ข, ขาให้การเขาเป็นหนี้อยู่มาก ยังชำระไม่หมดการลบพัดจับศึกก็ไม่เสร็จทำอยู่ตลอดเวลาการจัดจ่ายใช้สอยมันก็มากถ้าฉันจะ เ, เงินใช้หนี้เขาก็ไม่พอเราก็จะต้องกู้หนี้เขาใหม่แตเงินเก่าเราไม่มีให้เขาเพราะต้องดอกเบี้ยแค่นั้นหนกมากถ้าอะไรก็ดีด้วงจะต้องเป็นพระเจ้าเป็นดิน ระบรรดาลูกรักของพ่อสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่านี่แคบันทึกวันเดียวนะหกเทพเนี่ยเวลานี้หมดเวลาแล้วฟังหน้าหลังต่อไปเป็นหน้าจบเรื่องราวต่างๆนี่พูดมายยอๆก็พ่อแย่ทราบว่าบุคคลคนเดียวคือพระเจ้ามังรายมหาราชทัวายะเวลาสองปีสองพันปีเศษก็เกิดที่ต้งิงสองครั้ง ฟังหน้าหลังต่อไป